พระรามเทศนาแผ่นที่เก้าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุตสโกวัดป่านาคําน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26่ธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าแนะนําตามแนวแถวิท่าน เจ้ากรมถามเมื่อกี้นี่ยว่าผ้าจีบอลของพระแต่ตามไม่จริงผ้าจีบอลของพระเนี่ยท่านวัดให้ได้เท่านั้นคือพระสุคตหนวงพ่อขจําไม่ได้นะแต่สรุปแล้วก็คือเดี๋ยวนี้ประมาณสักความยาวของผ้าผ่านความยาวคือทางนี้ประมาณสาเมตรประมาณสาเมตรคือหกศอก อทางเลืกเนี่ยประมาณสักสองเมตรสิบสองเมตรสิบเซนนี่แหละประมาณโดยประมาณที่พระที่พระผ้าท่านใช้อย่างหลวงพ่อใช้อยู่ก่อนนะถ้าเป็นผ้าองค์เล็กอแต่ท่านก็ท่านก็ใช้ศอกของใครของเราเหมือนกันนะสมมติว่าจะว่ า, วาองค์ใหญ่ก็หกศอก แต่ไึ้งยังไงก็หศอกคืบถ้าเป็นองค์อ้วนนะองค์อ้วนเป็นหศอกของท่านเองนะคือคืบหนึ่งแต่ว่าองค์ผอมเลยจะใหญ่ไปถ้าหศอกคืบนะถ้า6กศอกท่วนๆพอดีถ้าองค์อ้วนหศอกคืบถ้าว่าคาความลึกของมันเนี่ยคืความสูงก็ต้องหก็สศอกสศอกแล้วสศอกฝ่ามือแต่4ี่ศอกคืบหนึ่ลึกเกินไปแต่สศอกฝ่ามือนี่ พอดีสําหรับสําหรับผ้าภ้าผ้าผ้าพระจีวรจีวรเนี่ยนะแหลเลยสังคาติเลยแต่ส่วนผ้าอังสาเนี่ยเขาประมาณสี่ซอกถ้าพับพับเพิ่มเนะี่ยสองซอกสี่ซอกแลก้วกำลังรุมเนี่ยลังรุมติดลงนี่นะลูกกระดุมก็ประมาณชักระหว่างกระดุมขนาดนี้ขององค์นั้น ถ้าใส่นี่ยาวเกินไปตรงเต่งแตงกวดอันนี้ก็คือผ้าจีบอลทีผ้าจีวรของพระสงฆ์ในยุคนี้สมัยนี้แต่ว่าในพระวินัยของพระพุทธเจ้านะ่ะพระวินัยของพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่ผ้าจีวรลเนี่ยคล้ายๆว่ามาก็เย็บสุดแท้แต่จะเย็บเอาอยัางไงมาใส่บางคนกับปี บางยมบ้างโคงก็ถวายสุดท้ายโยมมากับถวายกับพื้นใหญ่ก็มีลูกเจ็บตรงกลางแล้วกระจกะก็เป็นผื้นใหญ่สําหรับคลองเครื่องมันยังไม่มีและเบียบพอต่อมาททนี่ผ้าที่เป็นผื้นใหญ่ที่เป็นชิ้นเดียวนัะนนะขโมยมันมองมาเนี่ยว่ามันเป็นประโยชน์สาหรับมันเทนี่มันมาขโมยผ้าพระบันตรสมัยนั้นอ่ะมันผ้ามันหายากใช่ไหม พอมันมีตะกี้กระตุกทนเองน่ะอพวกจนมันมีอยู่กระโมยผ้าพระนะพระมัวข้าพระที่นี้พระเดือดร้อนเลยเนะพราะมันเป็นผ้าใหญ่พระพุทธองค์ก็บอกว่าอานอนท์ให้เธอไปวางวางแผนโน้สิว่าจะตัดยังไงให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขื้นมาให้มันลดขูดค่าของของจีวรลงแต่นี้พระอานอนท์ก็ ไปเขียนแปลนพระองค์ก็คิดไม่ออกเหมือนกันเอ๊ะจะเขียนยังไงเขียนแปลนจีวรใช่อหมอท่านก็คิดไม่ออกวันหนึ่งท่านก็เลยขึ้นไปบนภูเขาพอบนภูเขาท่านก็มองลงไปในท้องน้ำท้องน้ามคตนะแอพล่อยไปท้องน้ำมคธตอนท่านก็เลยคิดไอเดียออกมาทีนี่คือท้องน้ำมคตมันจะจะเป็นมันจะเป็นผืนนาแล้วก็มีคลองส่งน้ํา แล้วก็มีคลองส่งน้ําแล้วก็เป็นท้องนาอจากนั้นก็มีขอบเป็นถนนรอบท่านผ้าจีวรคงจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงตรงนี้ก็เลยเป็นถนนเหมือนแต่ตรงนี้ก็เลยเป็นคลองส่งน้ําหมือนตรงนี้เป็นพื้นนาเอท่า น, นก็เลยออกมาแต่มันพระอานุนก็เลยมาตัดเป็นผ้า เป็นผ้าจีวรขึ้นมาเออแล้วก็เย็บก็ว่าลังเอ่อถ้าว่าอนอนุวาดแปลว่าถนนถ้าเป็นตรงกลางได้ว่ากุศิเออตัวพื้นพื้นหน้านะ่ก็คือเป็นผ้าเป็นขันก็เรียกว่าขันเออขันขันหนึ่งมีกี่ขันเออผ้าเนะี่ยโดยมากเป็นห้าขัน ออย่างตบวงเน่ยเป็นห้าขันจีวรก็ห้าขันเป็นอย่างน้อยห้าขันเจ็ดขันสิบเอ็ดขันแต่ถึงอย่างไงก็ตามถึงจะเอากี่ขันก็ตามในพระวินัยเพราะวะ่าพื้นตัวนี้กับกุศลนี่ไม่ให้ไม่ให้เล็กกว่ากุศลตัวนี้กุศลตัวนี้ต้องต้องใหญ่กว่ากว่าพื้นพื้นนี้ถึงจะมีมากจะมีจะเป็นกี่ขันก็ตามแต่ไม่ให้เล็กกว่า ขันขันตัวนี้ไม่ให้เล็กกว่ากุศิตัวนี้อันนี้คือความเป็นมาของผ้าจีวรของพระนะแต่โดยมากเดี๋ยวนี้ของผ้าพระทั้งหลายแหลนคือวัดอโศกการามเขาบวชเป็นพ ร, พระกรรมฐานบัดนี้เขาก็เลยเป็นลูกสิดหลวง พ, พ่อริวแต่เด็เขาก็เลยมาตัดเย็บเอาแบบกรรมฐานเย เขาไปตัดที่วัดโสการามเดี๋ยวนี้พระก็เลยตัดผ้าไม่เป็นพวกผ้าวัดโศการามมันถูกถูกตําถูกตา ม, ตามเออตามกฎตามกฎวินยัย เ, เขาก็ย้อมสีให้อีกต่างหากเอแต่ราคาเนี่แพงนะอไตรเนึ่ยถึงสามพันกว่าบาทแต่ก่อนนับก่อนนั้นนี้แพงกว่าแต่นี้พอถ้เขาไปถามทำถาม ตัดไปจะซื้อไปถวายองไหนถวายหลวงพ่ออินวัดป่านามเออเรนนุ่นนี่พอดีพอดีเขารู้หมดเอยเกจิองคไหนดังๆนะปว่าเขาเก่งเออใจบางแห่งบางแห่งบางที่ตัดเข้าไปอย่างอย่างอย่างตัดอนุ瓦เนี่ยผลที่เคยไม่เคยตัดเขาจะเอาตัดทางทางสั้น เอาทางทางยาวตัดผ้าทางยาวมาใส่ทางสั้นมันปิดแอบแปลว่าคนนี้ดูแล้วไม่เคยไม่เคยบวชถ้าว่าเคยบวชเนี่ยเขาจะตัดอันไหนควรชิ้นไหนควรจะเข้าทางไหนชิ้นไหนควรจะเข้าทางไหนเขาเขาจะรู้จากวิธีการเอาเขา้าเขา้าเข้าอนุวาดนะพอรู้เนีรู้เลยวิธีวิธีการเย็บก็เหมือนกันถ้าเขาเย็บเป็นเขาจะเย็บทางนี้ ถ้าเขาคนไม่เคยเย็บเขจะเย็บทางหลังแต่เย็บทางหลังกระดูกระดูกมันสวยจริงอยู่แต่ข้างหน้านะ่ะปีนไปปีนมาอยู่ข้างนี้อแต่ข้างนี้เนะ่ยสวยดีตรงดีแต่ข้างในเนะี่ยแต่ถ้าวกคนที่เย็บเป็นนะ่ยเขาจะพลิกเขาจะเย็บทางนี้พอเย็บตรงนี้เนะี่ยถ้าเย็บเก่งเนะี่ยมันข้างในก็สวยข้างนอกก็สวยเอนะีอันนี้ก็คือแสดงว่าอันนี้ช่างฝีมือรู้อะไรไปปองเห็นรู้อะไรช่างฝีมือช่างไม่ฝีมือ แต่ว่าถ้าว่าเป็นผ้ากถินผ้ากถิ่นจะใช้ผ้าอย่างนี้ไม่ได้กรรมฐานไม่ยอมรับกันต้องเป็นผ้าสีขาวผ้าสีขาวจะเป็นผ้าซันฟร์ไร์ซันฟร์ไร์เบอร์มิลโดยมากนะที่จะเป็นผ้าไตรผ้าครองมาก็ตามต้องมาเป็นบริวารแต่พอจะเอาจริงๆรินเจ็บเจ็บพระสงฆ์นั่นก็จะเลือกเอาผ้า พาเนี่ยนะพาเบอร์หมืน่นนะเจ้าแรกท่านก็ท่านตัดในวันนั้นแล้วก็ช่วยกันเย็บเย็บในวันนั้นแล้วก็ย้อมในคืนนั้นแล้วก็อย่าให้อย่าให้สว่างให้เสร็จภายในวันนั้นนว่ากรถินกรินวัดของเราปีนี้พระ อ, องค์โสมท่านพระ อ, องค์เสด็จเสด็จมาถึงที่นี่ห้าโมงเย็นออพอห้าโมงเย็นที่นี่แล้ว พอการกระตินเสร็จแล้วก็พากันลุมกันเย็บขนละขันกันห้าขันเหมือนกันเถอะพอห้าขันเสี็แล้วเจ็บจากสามขันเลยเ็บขนละดูกันเลยพอเสประกอบเข้ากันพอควากันไปย้อมเลยพอย้อมเกบเสร็จประมาณเกือบห้าทุ่มมักก็ะเหลวนะเพราะว่าพระใสใสวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยใส เครื่องปั่นเครื่องไอ้เครื่อ ง, เ ค, องเครื่องอบเครื่องอบผ้าดเนี่ยทางย้อมเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องอบพออบเสร็จแล้วก็เอาออกมาก็เอาเตารีดรีดอีกต่างหากทีนี้เออเพื่อมาให้มันให้มันแห้งเร็วใช่ไหมเออจากนั้นก็ใช้พัดลมเป่าอีกทีนี้มันก็แห้งประมาณห้าทุ่มกว่าพอห้าทุ่มเสร็จแล้วก็นิมนต์พระทุกองค์ใน สีมานี่ยนะมารวมกันกับการกระถิ น, นยังไม่ถึงยังไม่ถึงเที่ยงคืนแต่ตามไม่จริงในพระวินัยก็คืออารุณขึ้นในวันต่อไปพระอาทิตย์ขึ้นในวันต่อไปอันนั้นคือแปลว่าแปลว่าหมดสิทธิ์ถ้าทําให้เช็จผ้าไม่แห้งเริ่บการไม่ได้ก็ไปลว่หมดสิทธิ์เป็นกรถินเดาะไปแต่ถ้าว่าอยู่อยู่ในในพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนี่ยยังเป็นวันยังเป็นวันได้อยู่ อคือในพระวินัยของพระนี่ท่านให้ให้ให้ใหพระอาทิตย์ขึ้นเป็นเกณฑ์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะอืมเจ้าอย่างวันนี้แหละคือพระอาทิตย์ตอนเช้าเป็นแสงเงินแสงทองขึ้นมาคือวันนี้แหละแล้ว ม, มาทั้งวันเนีพอตกกลางคืนอีทั้งคืนพอพระอาทิตย์คืนนี่ก็เป็ น, เ ป, นเป็นพระหมดหมดวันนี้แหละอืมออกนอกจากเขตวัดของไปแล้วมันมันมันพันสาขาดนะ อันนี้คือพวินัยณชัดๆอยู่แล้วนะคือต้องรักษาราตีแต่คณะพระพระในวัดของเราเนะี่ยหลวพ่อก็บอกนะถ้าปัดกวาดตอนเช้านะี่ยไปเปิดประตูอยญ่ๆอย่าออกไปนอกประตูนะให้อยู่ในขอบในกรอบของขอบของกำแพงถ้าเราออกไปนะมีโอกาสที่ัาษาขาดได้ง่ายภาษาขาดได้ แต่ขนาดอธิษฐานพอภาวนาในวันนี้ปภาวนาตอนบ่ายเราก็ยังรักษาราตีอีกราตีหนึ่งห้ามไม่ให้ออกนอกวัดในในวันนั้นอะทติดวาวนาแล้วแต่จะภารณาเดี่ยวไี้วันนี้ตอนบ่ายตอนไหนก็ตามปภาวนาออกพรรษาแต่ก็เราต้องรักษาอีกราตีรักษาราตีถ้าหาว่าออกออกไปเลยก็ยังมรนสาขาดอยู่ในท่านก็พูดชัดเจน ยิบัติเ ม, มงอาวาเซอาวาเซคืออาวาทที่มังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมิอันนี้ก็คือพระที่อธิษฐานและจำบรรษาในพรรษาวินัยแต่ต่างคนก็ต่างรู้กันอยู่พุทธบัญญัติต้นบัญญัติเราก็ไปศึกษาก็ได้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบัญญัติ วินัยวินัยข้อนี้ด้วยเหตุอันใดอยู่เมืองอะไรใครเป็นคนทำผิดผมมีเกือบทุกข้อของวินัยบางทบางีบางกฎวินัยท่านก็เปิดช่องปิดอยู่แต่เปิดช่องทำไมาว่าปิดปิดแล้วเปิดช่องคล้ายๆกฎหมายนะคล้ายๆกันพระวินัยของพระนะ อย่างสิกขาบทที่สิบห้ามไม่ห้ามไม่ให้พิกผูรับเงินและทองพิกสูรับเอโกเดให้ใช้ปุ่นรับโกดีซึ่งคือเงินทองต้องนิจะคียปาจิตติแต่เปิดช่องอีกตรงหนึ่งที่ว่าสิกขาบทที่สิบพิกสุมีจีวอนชำรด ถ้ามีอุบาสกอุบาสิกานำทรัพย์มาเพื่อถวายเป็นค่าจีวรทรัพย์ก็คือแล้วก็ต้องเงินใช่ไหมเอ่นำทรัพย์มาเพื่อเป็นค่าจีวรถามภิกษุว่าถามภิกษุว่าใครเป็นวั ย, ยาฟัจจกรของท่านคือพารับเงินไปนทองเองไม่ได้ใช่ไหมใครเป็นวั ย, ยาฟันจกรของท่านภิกษุแสดงว่า บอกว่าเออโจมคนนั้นเป็นไวยาวัจกรของอาตมาเขาก็เอาเงินไปมอบไว้กับไวยาวัจกรออแล้วเราก็มาบอกว่าผมได้มอบเงินไว้กับไวยาวัจกรปัจจัยไว้กับไวยาวัจกรแล้วถ้าพระคุณท่านต้องการจีวอนเมื่อไหร่ก็ให้ไปบอกเขาเออไปบอกไวยาวัชกรออถ้าหากว่าออนั่นแหะ ให้ายาวัจจการจัดการถวายท่านพอผมปอบปัดใจไว้กับเขาแล้วอเนก พ, พระก็รับทราบพอในต่อมาเนี่ยวายาวัชกรใช้เงินหมดใช้เงินของพระนะกินเงินของพระพอรับพระรับเงินไม่ได้ให้ยาวัจกรเงินวยาวัจกรใช้ใช้เงินพอใช้เงินทีนี้กับพระตรงการจีวรก็เข้าไปหาวายาวัจกร อาตามาต้องการจีวรไปซื้อไปทําเอาหาเอาปัจจัยไปซื้อจีวรให้อาตามา ด, ด้วยปัจจัยที่โยงเขาฝากไว้อถ้าเขาไม่เขาไม่เอาเขาไม่ซื้อมาให้ไปพูดอีกเป็นครั้งที่สองเขาก็ไม่ซื้อให้ไปพูดอีกครั้งที่สามไปพูดด้วยปัจจไปครั้งที่สามไม่เขาไม่ซื้อให้ ไปพูดเป็นครั้งที่สีได้มาเนี่ยนิจกีย์ยักปลายจิตตีได้ไงเอออาบัตเพราะว่าเป็นพูดเป็นครั้งที่สี่เมื่อไปพูดถึงสามครั้งไม่ได้จีบอรไปยืนต่อหน้าเขา6ครั้งให้เขาไปยืนไม่ให้พูดเออแล้วิววินของบุคคลในเจ้าเี๋รู้เออไปยืนต่อหน้าเขาได้เพียงหกครั้ง ถ้าไปยืนต่อหน้าเขาเป็นครั้งที่เจ็ดได้มาตรงนี้จะขี่ยาปายจิตตีเนยปว่าให้เขาลำคาญจนเกินไปเพราะงั้นอพอไปยืนไปพูดไม่ให้เกินสามครั้งไปยืนต่อหน้าเขาไม่ให้เกินหกครั้งถ้าเมื่อไปยืนเมื่อไปพูดไปทวงถึงสามครั้งแล้วไปยืนต่อหน้าเขาเพียงหกครั้งหกครั้งแล้วไม่ได้จีวอ ให้มาบอกเจ้าของเดิมเขาบอกว่าโยมถวายปัจจัยให้ตมานะไม่ประสบผลสำเร็จให้โยมทวงคืนออกมาซะถ้าไม่บอกอย่างนี้ปรับอบัติทุกกฎแปลว่าทำให้สมบัติเขาเสียหายเออนี่อันนี้คือพวินัยของพระไม่ใช่ธรรมดาละเอียดนะเออ เออใช่ใช่แถ้าบอกว่ามีครเงินตกไว้ในวเก็บได้เออเก็บได้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นอาวุธปืนเป็นจัตรอาวุธอะไรก็ตามเป็นเพชรนินจินดาก็ตามถ้าตกในวัดเนี่ยพระต้องเก็บถ้าไม่เก็บปรับอาบัตทุกกฎแปลว่าขาดแปลว่าไม่ใส่ใจของเขาที่เสียหายต้องเก็บมาไว้ เก็บไว้ก็ต้องรักษาไว้ว่าต้องคอยให้เจ้าของเขามาแล้วก็คืนให้เจ้าของถ้าเห็นแนละ้วก็เฉยๆเมื่อยๆให้คนอื่นหยิบเอาไปทำหายไปพระองค์ที่เห็นนะ่แะแปลว่าขาดความรับผิดชอบปราบอบัดทุกกฎ <c oughs> อ, อ, อ, อีกอันนี้อันนี้ถ้าหากว่าเราเข้าถวายเงินนี่ หลวงพ่อแต่ยังไม่ว่าเขานะสำหรับหลวงพ่อเองนะแต่บางทีงเราไปบินทบบาทอยู่ที่โรงพยาบาลเราไปพักที่โรงพยาบาลไม่ไปเ้วยกันสององแต่พอไปพักเสร็จแล้วองหนึ่งองหลังองตามหลังหลวงพ่อเขาใส่บาทหลวงพ่อหลวงพ่อเฉยมีอยู่ในบาดช่างมันหรอือเปลเราไม่ื่อว่าเป็นของเราแต่องค์ที่องอ ง, องององที่หลัง ท่านก็หยิบออกโยนทิ้งเออโยนทิ้งเออหลวงพ่อก็เลยมาถึงมาถึงมาถึงสถานที่หลวงพ่อเอยมันหักล้างน้ำใจเขาเกินไปนะเว้ยเออแต่ทิ้งยังไงก็เถอะนะที่เขามาใส่บาตอย่าไปถือว่าเป็นของเราก็แล้วกันแต่พอมาถึงที่แล้วเนะี่ยเราก็ให้เขาหยิบออกจากบาตเราไปเอาไปใช้เถอะนะเอาไปใช้ใครก็ได้นะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่อย่าเอามาซื้ออหงอาหารอย่าเอามาซื้ออะไรถาไวายอาตมานะอาตมบเราไม่เอาให้เป็นของสมบัติของชูเจ้าไปเลย เ, เราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราเให้มันเกิดประโยชน์ถึงไม่เปลี่ยนประโยชน์สําหรับตนเองให้ไปเกิดประโยชน์ต่อสําหรับคนอื่นต่อไปเ อ, อไม่ควรจะโยนทิ้งโยนขว้างมันดูดูมันมันหักล้างน้ําใจเขาที่เขามีศรัทธาเงินเป็นของหาได้ยาก ของเขาเขาใส่ด้วยน้ําจิตน้ําใจตัวเองไปโยนทิ้งเยมันดูดูแล้วมันเ อ, อไม่ค่อยสบายใจนะมันมันมั น, ม, นมันรุนแรงเกินเกินไปอันนี้หลวงพ่อจะพูดลักษณะอย่างนั้นถ้าเราถ้าถ้าเราเขาใส่บาตรไปงานเขาใส่บาตรเอ้ยปัจจัยที่เขาใส่บาตรนะเนี่เอาไปย้อนตู้นะเอาไปสร้างเจดีย์ก็ได้สร้างอะไรก็ได้นะแต่ธรณะเมื่อต้องเก็บ มาให้เรานะเอ่ออันนี้เราก็จะบอกในลักษณะอย่างนั้นเอ่อถ้าเราจะไปบอกในขณะนั้นจใจบาศไม่ทุกข์ไม่กวนมันก็ยุ่งเยิงวุ่นวายเออมันจำจี้จำชัยจนเกินไปใช่ไหมเออมันมันดูมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันกระย่างไงยังไ ง, ง, ไงเออถ้าว่าต่อไปเราจึงค่อยมาพูดมาถามก็เออปัจจัยไม่ควรจะใส่บาศนะเออเพราะใส่บาศมันผิดวินัยของพระสงฆ์ ถาวาเราจะถวายนะก็เออถวายเป็นใบปรารนาถวายปัจจัยสี่เพื่อพระสงฆ์จะได้จะได้ใช้ท่านก็ได้ใช้จริงๆนะ่ะค่าน้ำค่าไฟมันไม่ใช่ของฟรีมันก็จะต้องได้ใช้ค่าไฟแต่ละเดือนอันนี้เราก็เราก็เราก็บอก ถ, ถ้าคนมามาอยู่ รู้กันแล้วนะแต่ถ้าวัดเรายังไม่เคยเจอหน้ากันถาวายเออเราไว้าวางไว้ก่อนถ้าเขาถามทำไมเราก็บอกว่าพระจับจัตังไม่ได้แต่ถ้าเราไปเครื่องบินเดียวนี้ถ้าไปเครื่องบินเวลาเขาถามว่าท่านผมถาวายปัจจัยท่านอาจารย์ในเดียวนี้อืมพระจับปัจจัยไม่ได้นะถ้าคุณจะถาวายนะั่นแะคนที่มารับ หลวงพ่อในสนามบินค่อยเอาให้เขาก็ได้นะแอ่ถ้าหากว่าคุณมีธุระรีบด่วนไม่ต้องถวายไปทองถวายถวายไม่ได้ถ้าบอกคุณที่จะลงไปแล้วเอจะตามหลวงพ่อไปหลวงพ่อก็มีคนมารับอยู่แต่ขอเราก็มอบให้กับปยญญาผู้จัดการโยมของหลวงพ่อก็ได้อันนี้หลวงพ่อจะได้นําอย่างนั้นแต่บางคนถึงตัวเองรับไม่ได้ อ, อกเปิดยามให้เขาใส่เนาะเออ อันนั้นก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกัน่นยตัวเองรับไม่ได้ให้ยามรับแทนเนะ <c oughs> <c oughs> แต่หลวงพ่อไม่เอาแต่เวลาเดินทางนะั่นแหละสมัยก่อนนะลำบากอืมลำบากต้องเสี่ยงคือสมมติว่าโยมเราจะไปเชียงใหม่แค่นี้แฉดวง็อตวายปัปจจัยไปเชียงใหม่เท่าไหร่อ่า ประมาณห้าหบาทครับเออเรากดเผื่อไว้เผื่อเพื่อท่านอาจารย์ต้องการหิวน้ําเผื่อไว้สักร้อยหนึ่งก็ได้200แต่เนี้เขาก็บอกว่าเราก็บอกเขาก็เสียนใส่ซองส่งต่อต่อกันไปด้วยเราก็บอกว่าส่งต่อต่อกันไปด้วยแต่นี้เกิดโชเฟอร์เราก็รับเออโชเฟอร์เงินแอดรถรับทราบแล้วนัเนะี่ยปัจจัยค้าอันธมารจะไปจะไปต่อรถให้คูบาด้วยนะยคูบาจับตังค์ไม่ได้ ให้ส่งต่อๆกันไปด้วยครับแต่บางคนโชเฟอร์ไอแอดบางคนมันก็มันก็ยิบออกไปบ้างแต่เราก็ไม่ว่าครบเออย่างไงให้ให้ให้ไปถึงก็แล้วกันแต่เด็กเขาก็ส่ ง, ส, งส่งไปถูกมากคนนิสใสดีบางไม่ไดใส่ไม่ดีบ้างแต่โดยมากดีดีมากกว่านะันนี้ก็มีแต่ว่าบางแห่ง กูบาดจานย์คนะรับกลัวตุกขีลูกหาจะลําบากท่านก็เอาเป็นไปชะนีแหมที่เป็นชะ น, นีเป็นเป็นเป็นไปนชะนียบัตรนะมันมีใบห้าใบสิบใบยี่สิบห้าสิบใบละร้อยอย่างเนี้ยเอพอไปแล้วท่านก็เอาไปชะนีให้โซเฟอร์ไปเลยอืมจานหนี่โซเฟอร์บางคนเขาก็ไม่เอาเพราะมันไม่รู้จะเป็นแลกคิดอะไอีกทีนี้เขาไม่รู้จักวิธีไปชะนีอีกทีนึงแหอ อันนี้อันนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นก็มีนี่แหละวิธีการเดินทางมันลำบากถ้าว่าสมัยเป็นพระน้อยผหนุ่มนะ อ, อลําบากอยู่เพื่อจะเพื่อจะให้เดินทางด้วยใ ห, ให้ถูกต้องตามตามหลักวินยัย เ, เรื่องปัจจัยปัจจัยตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อว่ามันเกินเกินครึ่งนะกรรมฐานของเราก็กลายแหละ จับเงินและทองมีมากเดี๋ยวนี้แต่ในสายของครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยแต่หลวงพ่อนี่บอกเลยบอกอย่านะอันนี้คือพระวินัยมันชัดเจนเหลือเกินรับเงินและทองเป็นอบัตมันเป็นอบัตปลาจิตตีด้วยเราจะมุ่งหวังอะไรชีวิตของเราเราไม่ได้ทำมุ่งหวัง อยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะสะดวกสบายเราจะมาบวชทำไมคารวสเขาเปิดรับอยู่แล้วไปเป็นคารวสซะในเมื่อเราเป็นพระเราจะทำเหมือนตัวเป็นคารวสมันก็ไม่ถูกต้องเราควรจะรักษาวินยัยหลวงพ่อกับแนะนำพระลูกศิษย์ลูกหาหลวงพอ่อ อืมใช่พระผู้ทรงศิลเออยู่ในศิลนอยู่ในกรอบของศิลอนหลวงพ่อยังบอกว่าถึงเราจะอยู่ในป่าดวงพงไัยอยู่ไกลขนาดไหนก็เถอะถ้าเป็นผู้มีศิลนแล้วนะมนุษย์มาเห็นเทวดาก็เห็นแต่ถ้าว่าเป็นผู้ไม่มีศิล์นเนึงจะไปอยู่ใกล้ธนาคารก็อดเงิน <laughs> ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีใครถวายเออเพราะนั้น <laughs> เราให้อยู่ในในศีลในธรรมไม่อดไม่ยากหรอกพระธรมรมย่อมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมย่อมรักษาผู้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วถ้ามีธรรมอยู่ในใจอยู่ในธรรมีธรรมวินยัยอยู่ในจิตในใจแล้วไปอยู่นัสถานที่ใดถึงจะไม่มั่งมีร่ำรวยแล้วก็มีความสุขใจ จะให้อดปัจจปัสสิจัยสี่อดอยากพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเวลาในพวกเราทุกท่านนะให้รักษาธรรมวินยัยแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้นตระกูลของพระกรรมฐานอย่างหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าให้รักษาวินัยนะให้มีศีล น, นะพระนะศีลและวินัยนะั่นแหละจะคุ้มครองพวกท่านทั้งหลาย ถ้าพวกท่านไม่มีสิ น, นล่วงละเมิดสินอบวบเล็กๆน้อยๆถือว่าไม่จาเป็นไม่สําคัญเนี่ยแหะอันไหนที่สําคัญอันไหนก็ไม่สาคัญตัวมาคือใหญ่ขึ้นมาก็ไม่สําคัญอะไรไม่สําคัญโปนัยสูตรเป็นการเป็นอยู่ของเราก็ไม่สําคัญเพราะมันมันมันมองไปมันอะไรก็ไม่สําคัญไปทั้งหมดมันที่แล้วมัข้ามไปที่ละน้อยจะก่อนเอเพราะนั้น พวกท่านทั้งหลายถ้าว่าไม่มีศีลพระที่ไม่มีศีลก็เหมือนกับผงธูดีมันเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนั่นนะ่ะเอามันเข้าตาของพวกท่านมันเข้าลูกกระตาของพวกท่านต่อไปเนะี่ยพวกตาของท่านจะมัวหมองฟ้าฟางเพราะผงธูดีแต่ว่าเป็นขอนดวงขอนอย่างของไม่อเรามองเห็นมันไม่เข้าตาเราหรอกเราหลบได้เราเห็นได้แต่มันมอง ผงธุรีเล็กๆน้อยๆ น, น่ะมันเข้าตาเราทำให้ตาเราฟ้าฟางมองไม่เห็นสัจธรรมเพราะนั้นต้องระวังจะให้อาบัดเล็กน้อยจะให้หลวงละเมิดจะให้ผิดวินัยให้รักษาศีลรักษาศาสษาศีลรักษาวินัยให้ดีพวกท่านจะมั่นใจพวกท่านจะสบายใจในการเป็นอยู่ชีวิตของพระของท่านจะราบรื่นไปไป ไ, ปได้ดีไม่มีอุปสรรค อันนี้ก็คือแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่าหลวงตามหาบวชท่านเข้มขวดโขดกันเรื่องวินัยของพระแต่เดี๋ยวนี้มันมันมีมันตรงที่น่ยเรื่องของอยู่ของฉันโอ้มันแยกยากเหลือเกินนะมันแยมันแย ก, แ ย, กยากเหลือเกินในพวกวินัยจุดนี้นะเออ อย่างอย่างยาลูกกรอนผสมด้วยน้ำพึ่งอันนี้มันชัดเจนเรารับประเคนได้เจ็ดวันใช่ไหมแต่ในถ้าว่าเป็นยาเคลือบน้ำตาลยาวิตามินก็ตามยาแก้ปวดแก้ไขอะไรก็ตามเคลือบน้ำตาล เ, าเราจะเก็บไว้เจ็ดวันเหมือนกับลูกลูกกรอนหรือไม่เ่อเน่ยมันมันมันมันมันถกเถียงกันแล้วเธอเนี่ยแต่ทำไม ลูกกรจึงเ ก, เก็บไว้เจ็ดวันในพระวินัยของพระพุทธเจ้านะมันเพราะอะไรแนหะลงตามหาบัวท่านบอกไว้แต่ตามใี่จริงลูกใหญ่อยู่ในขวดของเราเนะี่ยอย่าพกวิตามินมันก็เครือบน้ําตาลมันก็ไม่น่าจะจัดเข้าเป็นมันน่าจะจัดเป็นยาลูกกรเอนพอมันเก็บไว้มันไม่เสียหายอะไรมันเก็บไว้ได้นานเพราะมันเป็นยาวิตามิน มันจะถือว่าเจ็ดวันก็ไม่ได้จะถูกแต่ว่าพระวินัยจุดนี้คืออะไรพระวินัยจุดนี้ก็คือภิกษุรับประเคณเพสัตทั้งห้าเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเก็บไว้ฉันได้เกินเจ็ดวันไปเก็บไว้ได้เกินเจ็ดวันไปต้องนิจกียาปาจิตติผิดศีลไปข้อหนึ่งในศีลสองร้อยย่สิเจ็ดข้อน่ะนะภิกษุรับประเคณเพสัตทั้งห้าเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อย เก็บไว้ได้ฉันเพียงเจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้เกินเจ็ดวันไปต้องนิจกคียปาจิตติในสินสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อหนึ่งขาดไปข้อหนึ่งอันนี้ทำไมเรื่องนี้เป็นมาเนยคือพระพร ะ, ะปิรรนทรวัชชานะท่านอยู่ในภูเขาถ้าแห่งหนึ่งท่านเป็นผู้มีอิทธิฤทธิเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธ คนทั้งหลายนับถือเรื่มใสท่านมากเพอจะไปลูกศิษย์ของท่านก็มากอีกแต่ไหนพอเขาไปเขาก็ถวายน้ําอ่อยถวายน้ําผึง่งถวายเนยใสเนยข้นถ่ายถวายถวายถวายท่านท่านก็เอาลูกน้องก็เก็บไอ้ลูกน้องท่านจะแจกลูกน้องไปไอ้ลูกน้องมันก็ใต้ของเยอะแต่มันก็ไม่มีขวดไม่มีอะไรเก็บใช่ไหมมีแต่ใบตองกล้วยบงังใบไม้บังมาฮ่อ เก็บแล้วก็มากแขวนไว้เพื่อไม่ให้หนูหนูมาลงมาแกะมากินน่ะมาแขวนไว้ศรัทธาญาติโยมเขาก็ไปดูดูเดินไปไปเห็นเห็นแต่พวกไ อ, อหอนน้ำอ้อยน้ำตาลออลงตรงนางไปหมดเอีชาวบ้านเขาก็เลยบอกอ้สัมมสาสักยะบุตรทำไมสังสมเพสสัตว์มากเกินไปเหมือนกับลานค้าตลาด เขาตำหนิทีนีเออ้เหมือนกับร้านค้าตลาดขายสิ่งขายของไม่ได้สมณะไม่น่ า, ะนาจะสั่งสมเพรศัตร์ถึงขนาดนี้อันนี้บอกโอ้โหทําไมรวยขนาดนี้แต่สมณะแล้วได้คําต่อคําไปกลับแล้วก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโอ้ไม่ได้อันนี้เป็นการสั่งสมเพรศัตร์ออไม่มันไม่ใช่เรื่องของพระเป็นการเก็บ พิถีพิธันเกินไปพุทธเจ้าเรียกประชุมส่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพิกษุกด้ก็ตามสั่งสมเพสัดทั้งห้าคือเนยใสยเนยข้นน้ำพึ่งน้ำอ้อยแล้วเก็บไว้ฉันได้เพียงเจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งถ้าให้เกินเจ็ดวันไปต้องนิจจขียปายจิตติจากนั้นก็เป็นวิทย์นายบังคับออกมาเพราะนั้นเวลาใครถวายน้ำพึ่งเอเอใ ลับปรกเชนยังไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแจะค่อยทยอยมาปรกเชนทีหลัง <c oughs> <c oughs> น้ําตาลมาประกเชนจะพึ่งประกเชนนะเดียวเดี๋ยวใช่เจ็ดวันมันฉันไม่หมดเสียของเอาเก็บไว้ก่อนให้ใบยาพผจกรหรือสำ ม, มเนเหรือยาจโฉมเขาเก็บไว้ก่อนแต่นั่งทยอยประกเขนเอทีนี้ในเมื่อน้ํำพึ่งบะเนี้ยละวกกาเล็ก กาลิกสี่เนี่ยสัตตสัตหากาลิกยามะยามะกาลิกยาวะกาลิกสัตหากาลิกยาวะชีวิตเรียกว่ากาลิกสี่กาลิกสี่เนี่ยคือยามะกาลิกยามะกาลิกก็คืออาหารประเภทอาหารรับประเานแล้วฉันได้แต่เช้าชั่วเที่ยงเรียกว่ายามะกาลิก ยะวายาวกาลิียก็คือน้ำอัฐบาลที่เราสม่มคันมากรองปกครองเสร็จแล้วให้รับประเคนชันไดตต้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงเที่ยงวันนี้จนถึงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาถ้าชันเข้าไปจะเป็นอบัิเพราะมันจะเป็นเมลัยมันจะเป็นมันจะเปลี่ยนเออมันจะเปลี่ยนเป็นเหล้ามันจะเป็นเบียรป์ประมาณนั้นอันนี่คือ เออยาใหญ่ยาวะกาลิกสัตตหากาลิกนี่ น, น้ำอ้อยน้ายําตาเนี่งที่บาดนะเพศัตถังห้านี่คือสัตตหากาลิกเจ็วันเลยฉันได้เจ็ดวันยาวะชีวิตเนี่ยรับประเคนฉันได้ตลอดชีวิตอย่างเกลือพริกขา่าขิงเออและยาลากไม้อะไรเนี่ยอะไรเก็บไว้ถ้ารับประเคนวันและก็ฉันได้ไปตลอดไปเลยไม่เป็นอาบัต อันนี้ว่ายาวชีวิตท่านี้ทั้งกีกาเล็กทั้งสี่เนี่ยยามะกาเล็กยาวะกาเล็กสัตหะกาเล็กยาวะชีวิตถึงจะยาวะชีวิตรับประเคนในชีวิตตลอดชีวิต ก, ก็จริงอยู่แต่มาผาสมกับอาหารก็ฉันได้แต่งแต่เช้าทุกเทียงตัวนี้ก็หมดอายุอีกเหมือนกันถ้าว่ตตัวนี้สัตหะกาเล็กมาผสมกับตัวนี้ก็ฉันได้แต่ถมเที่ยงเหมือนกัน แต่วนี้ชัตตากาเล็กเจ็วันใช่ไหมมาผสมกับยาวายชีวิตมันก็ต้องอายุตัวนี้อีกเหมือนกันเอาชัดเป็นหลักอันนี้คือพอวินัยอย่างเกลืออย่างนี้นสมมติว่าเกลือเราประเขนเป็นยาวายชีวิตก็จริงอยู่นะแต่เก็บว่าเป็นยาวายชีวิตเราประเขนแล้วแต่เอามาฉันกับตัวนี้นี่ไม่ได้ได้ทนี้เป็นอวบัดอีกเลยตันี้เพราะว่ามัน มันเอามารับประเค้นไว้ค้างคืนแอพริกสูร์รับประเค้นอาหารไว้ค้างคืนอแล้วเอามาผสมกับตอนนี้เอามาฉาดไม่ได้เป็นอปบัดปลาจิตติเลยท่านนมันคล้ายๆว่ามันมันมันมันข้ามมันข้ามขั้นกันถ้าเก็บเป็นยาวยาวว่าชีวิตเก็บไว้ตลอดไม่ได้เก็บพริกเก็บเกลือเก็บอะไรเก็บไม่ได้แต่เอามาสันกับอาหารตอนเช้าเนี่ยไม่ได้มันข้ามขา้นกัน เมันต้องเป็นจัดเป็นคนละส่วนกันอโอ้เรื่องเรื่องวินัยตันนี้ศึกษาแล้วศึกษาอีกอ่านแล้วอ่านอีกเหมือนกันนะเอสรุปแล้วก็คือวินัยก็เหมือนฟิฟฟฟฟชากฎหมายมันเหมือนกันเนีกดกดและเบียดถ้าจับประเด็นไม่ถูกแล้วก็ไปเขวไปอีกเหมือนกันถ้าจับประเด็นให้ได้แล้วก็ เราก็จะแยกกันได้ว่าอันไหนเป็นอันไหนใช่ตรงไม่มีไม่ไมีใครเบี้ยวเลยแล่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครเบี้ยวไปเบี้ยวมาเหมือนกันเพรา ะ, ะรนะนนพระพุทธเจา้าท่านรู้อยู่แล้วมันจะตอบไปทางไหนถ้างว่าตอบผิดทางมันก็จะต้องยิ่งไปใหญ่เลยท่นี่เอาเอาบาตัตโตื่นเข้าไปอีกเหมือนกันเถะ เอออย่างภิกษุภิกษุทาผิดครั้งหนึ่งเรียกมาเตือนมาครั้งที่สองเรียกมาเตือนพอเกินถึงสามครั้งสวนประกาศสงสวดประกาศสสนนนีเออแปลว่าจะต้องอภัยปปจะว่าต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเข้าไปเลยเนี่ยแปลว่าไม่ยอมไม่ยอมรับ ไม่ยอมฝังมติสงดือด้า น, นะแต่ว่าถึงครับพระพุทธองค์ก็ยอมเหมือนกันนะตรงพอดมามาเห็นอย่างพระชันนะนะเอะพระพุทธเจ้าก็ยอมคนเก่งเหมือนกันพ ร, พระชันนะเลยคือนายชนะนะเนี่ยคือเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงกบิลพัทใช่ไหมจะเด็จออกไป สมสมสวนอุทยานเน่นายชนะเป็นนายสารธีใช่มเพอไปก็ไปเห็นคนแก่ถามวาเออสารธีชนะอันนี้คืออะไรคนแก่พระเจ้าข่าอา้าวทำไมมันจังแกวะแต่ก่อนไม่เคยเห็นคนแก่ใช่ไหมตั้งแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มมาเนี่ยพระเจ้าจุดโทรธระมีแต่กางสลนมีแต่ต้นกอก้วยต้นอ้อยมีทหารเอามือควายหลังยืนคน เทาคนแก่คนที่ไม่พึงปาถนาคนไม่สวยไม่งามจะไม่ให้มาผ่านให้สิทธะเห็นเลยคือให้มันเป็นมีนแต่สีไวไลยอยู่ตลอดสวยงามตลอดเอแต่นี้พออายุถึงยี่สิบเก้าปีแต่งงานพิมพ์พายโสโธทลากระทองโยอะไรทะนี้่อยากจะเป็นเป็นพ่อของคนหลยสิทธะแล้วลอะไรน่าจะปล่อยวางได้ละทตนี้คงจะติดโลกแล้วสิทธะปัดนี่มา เออก็เลย ป, ปลดปล่อยชาแลนอะไรต่นก่อยตุนอวยกวนอ่อนออคือให้เห็นปกติให้เห็นเป็นคนธรรมชาติไงมาเห็นคนแก่คนตอนนี้ท่านเสด็จถาท่านก็ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมมิตรกรกลางล้วกลางนะพอนั่งรถน่รถม้าไปเขาไปเห็นคนแก่เออลังข่อมแล้วก็สักไม้เท้านะ ชิตาถาอ้ถามอะไรนั่งเอ้ยอันนั้นเป็นอะไรพบไม่เคยเห็นใช่ไหมชิตาถากว่าคนแก่พระเจ้าค่ะอะทําไมแก่ว่ะเอ้าทําไมตายง่ายก็ต้องแก่อย่างนี้เราพระเจ้าค่ะเอ้าเราจะแก่ไม่เนี่ยแก่บ้านกัรนั่นแล้ว <laughs> นี่แหละอันนี้คือฉั้นหน้าเราเมื่อพาไปเห็นคนเจ็บคนตายพลเรือนเอ้ยฉันนะเตรียมม้าขันธากาลนะเราจะหนีไปบวชเราจะหนีออกจากเวียวงวังอืม เป็นความลับ น, ยนะยุทธนะ้ยืนเตรียมพร้อมนะชนะก็เตรียมม้าขันต ะ, ะกะกลางคืนพร้อมแล้วก็ขึ้นล้างม้าก็ออกไปกับพวกพุทธเจ้าใช่ไหมแต่บางคนก็บอกว่านายนายบอกว่าเวลานั่งม้าขันตะกะน า, นายชนะเกาะหางม้าหลงปูจามไปหาเกาะอะไรมันก็ตกต้อง ต้องไปก็ต้องขี่ซ้อนกันเลยไปเกาะหางม้าไปเกาะได้เลยมา้มาเออมันก็ตกเออม้าเล็วขนานดนั้นต่างหางเลยมันก็ต้อขึ้นขี่ซ้อนกันกับศีรัฐฐานก็กอดเอลเอลสีรัฐฐานมันจะไปทางไหนก็มาก้าตะเบื้องอย่างชุดเขีดเออดูซิจากกรุงกบิลพัทถึงกรุงราชสักข์เนี่ยเขาว่าท่าวัดเดียวเนี่ยประมาณสองร้อยกว่ากิโล ก็มันไม่ใช่ใกล้นะเ อ, อจากนี้ก็คือเมืองถึงเมืองขอนแก่นเนะ่าไว้งันเถอะเออจากนี้ไปถึงขอนแก่นนะเออแต่มทำไมถ้ามีทางหรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันนะย้อนรัดทุ่งรัดท่าไปทําไมม้าม้งวิ่งเร็วขนาดนะัออ้นไปถึงจนุดไอถึงแม่น้ําอโนโม า, นาทันทะออีเสร็จแล้วก็อไปถึงฝั่งแม่น้ํา อ n o m a l นะท้ก็เอาไปเราจะบวชแล้วนะชนะเอาไปเอาของกลับจากนั้นก็ปลดเครื่องใช้เครื่องทรงอะไรให้สันน้าหอไปเอาไปขายกินเนอะไปเอาไปแต่สันน้าจะทํำยังไงได้เพราะเป็นเจ้านายสั่งคํำนะจะเป็นคํานั้นก็เป็นคําเด็ดขาดนี่ไปเอาหมากับนายชันน้าก็เลย ขึ้นขี่หลังม้าเลยแ อ, ออกมาจากที่กลับม้ากุ้งก บ, บินลพัทพอม้าท่านมันเป็นม้าแสนรู้เห็นพระสิทธิ์ธรไม่ขึ้นหลังเห็นแต่นายชนะขึ้นหลังม้าก็เลยคิดถึงเจ้าของอย่างมากม้าก็เลยอกแตกตายเหม่พอพน้นพอพน้น พอพ้นพระเนตรประการของสิทธัตถะทานนะ่มนะม้าทนนก็เลยอกแตกตายหัวใจวายตายคิดถึงเจ้านายอพอถึงนชยชนะกัที่ทำยังไงได้ใช่ไหมล่ะม้มาตายเลยนายชนะกัได้ดาบกับเครื่องประดับแล้วเดินทางต่อมาตามสายม้าวิ่งมาทางไหนว่างั้นเลแล้วก็เก่งเตือบบน้ชนะยช่ไหอก็คงจะเป็นเคยนาย นายอะไรสมัยรักษาป่าหิมพานต์ที่รักษาประเวชชันดอนขาวนั่นคงจะเก่งทางป่ารงพงไพรมาพอสมควรสิทธาก็เดินไอชันนะก็เดินกลับมาถ้าท่านชนะยังอยู่นในหลวงพ่อคงจะถามไอชันนัทเดินมากี่วันท่านเดินกี่คืนยัง ถึงถึงกรุงกบิลพัทคงจะใช้เวลานานพอสมควรเอยกว่าจะมาถึงกรุงกบิลพัทจากนั้นพระองค์กบ็บบําเพ็ญตามลําพังพระองค์ต่อมากันปัญจวคีทั้งห้าเนี่ยมีโกนทัญญะเป็นพราม์หนุ่มเป็นพรามณร้อยแปดคนเขาไปทํานายทายทักพระพุทธเจ้าสิทตาษย์ยังแบเบา โกนธัญญานี่ที่ไปทา น, นายพระพุทธเจ้าเกิดใหม่ๆพรามร้อยแปดคนเข้าไปแล้วก็ไม่ให้พูดไปบองดูปุริษาลักษณะของศรรถถิรษะไม่ให้พูดแต่พรามหรพวกพรามคนนึงนึงยกกระเดินออกไปคนที่สอมือ กดที่สามดู้วถึงร้อยเจ็ดคนยกสองนิ้วทั้งหมดแต่โกนธัญพามเป็นพามหลุ่มกว่าเพื่อนร้อนวิชาเหมนันดูยกนิ้วยกนิ้วเดียวเดิเดนออกไปแต่เด้เขากดพอไปถึงนะครับก็กดเรียกพามทั้งหมดมาทาท่านทำนายว่ายังไง ที่ท่านไปเห็นปูริสาลักษณะของศีรถะแล้วนะท่านยกสองนิ้วนะ่ะท่านมีความหมายยังไงควรบอกว่าถ้าเป็นคราวาตเป็นคราวาตของราชนะจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นใหญ่ในแผ่นดินถ้าจะออกบวชเป็นนักพรตนักบวชแล้วเป็นจะเป็นต้นศาสนาต้นศาสนาหนึ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นจริงทํำนายเป็นสมขวานะก็ทํานายกันทั้งหมดเลย แต่ทางทางทางทางทา ง, ง, ง, งทุกคนแต่โกนทันย า, าพามเป็นยังไงเอาท่านทาไมจึงยกย ก, ยกนิว้วเดียวผมมองไม่เห็นเนี่ยอื่นชิตตถาต้องบวชเท่านั้นต้องต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึง่งคําว่าของราดไม่มีเพราะท่านข้าไปเจ้าจึงยกนิว้วเดียวให้นี่แหละอันนี้ก็คือพอเสร็จแล้วตอนนี้ ไอ้พวกพราหมณ์ที่แกนะ่ก็เลยสั่งลูกพอกลับมาถึงบ้านเรือนเลยเอ้ยลูกเอ้ยถ้าว่าสิทธัตถะไปบวชเมื่อไรพ่อเนี่ยแก่แล้วคงจะตายก่อนคงจะไม่ได้เห็นพวกลูกๆเนียังไงให้ติดตามไปติดตามสิทธัตถะนะท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้แนะนำสั่งสอนอพวกเธอพวกเธอจะได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลตามติดตาม นันแะอันนี้ก็คือคําสั่งของพราหมณ์ผู้เป็นพ่อสั่งลูกสั่งลูกเอาไว้แต่ใ น, นพอต่อมาเมื่อสิทธัตถะออกไปบวชเขาก็ถามไปสายไหนอยู่ที่ไหนชั้นนาก็บอกว่าอยู่ที่นู่นที่นี่พวกนี้ก็พวกโกนธัญญ า, าพราหมณ์เลยโกนธัญญาที่เป็นพราหมณ์หนุ่มพาลูกพาลูกพราหมณ์ไปด้วยกันห้าคนโกนธัญญาาพราหมณ์เป็นหัวหน้าโกนธัญญะบับปะ พัทยะมหานามะอจชิแปลว่าห้าห้าพรามอา้าวไปก็เดไปดูแลปลนิบัติพระพุทธเจ้าคอยเช้าคอยเย็นตั้งท่าตั้งทางตั้งหน้าตั้งต า, าจะได้เห็นพบเห็นพระพุทธเจ้าสำเร็จตัดรู้ผลี่สุดพระพุทธองค์บำเพ็ญนี่คกปีวังั้นอกนานพอสมควรใช่ไหมละ่ะ จนเหลืออดเหลือทนนะพวกที่นั่งคอยเนะี่ยเหมือนนแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าไปกี่ปีพวกนี้จึงตามไปท่านก็มาอวายมนะือแต่ในพระพระพุทธเจ้าอดพระกาหารถึงสี่สิบห้าวันพวกนี้ก็คอยแล้วคอยเอาครับปุ๊บสิทัตถะเอาจริงนะข่าวนี่จะได้สําเร็จนะ่ะเพราะในสุดสิทธัตถะกลับมาฉันพระกาหารโอไม่ได้ไม่ได้ไไดตายตายต า, ยตายถอยหน้าถอยหลังยังไม่ได้สําเร็จเราไปหนีเรา นี่หละปัญจวัตปัญจวัคคีทั้งห้าก็เลยหนีหออกไปหนีออกจากสิท ธ, ธัตถะไปอยู่เขตแขวงกุงพาราณสีจุปายสิปตนามิกทายวันไปตั้งอาสมอยู่ตามลําพังหนีจากหนีจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าการหนีจากพระพุทธเจ้าไปเนี่ยไปนานเท่าไหร่อันนี้ก็ตําราก็ไม่ได้บอกไว้อีกเหมือนกัน แต่พวกนี้หนีไปแต่นั้นพระองค์ก็บำเพ็ญอยู่ตามลําพังพระองค์เนี่ยแสรุปแล้วก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ต้องเป็นผู้โดดโดดเดี่ยวอยู่ตามลําพังเอโกปุริโสท่านอยู่ตามลําพังท่านบําเพ็ญท่านจึงได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเป็นพระองค์อยู่ตามลําพัง ไม่มีไม่มีใครเป็นเป็นเพื่อนสองในช่วงนั้นแต่ได้มาพูดถึง น, น, นายชนะทีนี่ในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แต่ประกาศพระศาสนาดังไปทั่วโลกแต่นี่ยจะนั้นก็ไปไปโปรดพระพระประยูรญาต ก, กรุงกบินละพัฒ น, น์ชนะก็เลย น, น, นายชนะที่เป็นพาพระพุทธเจ้าไปบวชอยากจะบวช อ่พระองค์ให้บวชแต่บวชเขาเป็นนักเลงเนี่ยเดี๋ยนี้เออเป็นนักเลงไม่ยอมมาฟังไม่ยอมฟังใครเออพอไปเห็นภาษาเรียบุตรก็ดีประโมกคาลาไครก็ดีเออพอวัเนี่ยพอไปเห็นพอต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าแต่รับลงังเลยเออพวกเนี่ยเอสมัยก่อนเมื่อพระพุทธเจา้า พาไปบวชใครเป็นคนพาไปผมเป็นคนพาพาพระพุทธเจ้าไปบวชเนี่ยพอมาบวชคือมาท่านมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผมเป็นโมกขละผมเป็นป่าชาลีบุตรมีแต่อย่างจะได้หน้าได้ตานยก่อนที่จะพวกท่านจะได้มาเนี่ยจะได้หน้าได้ตาผมเองเป็นคนพาไปพระพุทธเจ้าพาไปบวชพระสงทั้งหลายได้ยินโอ้ฉันหน้านมันพูดกล่าวเล้วอย่างนี่ไม่น่าจะถูกประกำ พ, พอพุทธเจ้า พระเจ้าเอ้ยชนะเธออย่าพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันไม่ดีอันนี้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะท่านได้บรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเธอจะไปพูดอย่างนั้นก่าวร้าวอย่างนั้นไ ม, ไม่ถูกนะชนะนะอย่าพูดนะไม่พูดเฉยพอรับหลังพูดอกีกพอาะเราเจอพวกพระเจ้าก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันแต่ตามไม่จริงถ้าเป็นคนไกลก็คงจะไล่หนีเราเงี้ยเด้อ อันนี้ดพวกพุทธเจ้ายอมแพ้เน่ยดูด้วยตุ้เราได้ยินแล้วเราก็นึกขำไม่อยู่เหมือนกันเนะยพวกพุทธเจ้ า, ายอมแพ้คนก็ไม่ยอมแพ้คนเก่ ง, งเหมืนอนกันนะเพราะในส่วนก็เลยจนพวกพุทธเจ้าเจะปรินิพานนะเนี่ยมันบอกไอ้อโนนเราคงจะสอนชนะไม่ได้หรอกในเมื่อเราปรินิพานไปแล้วน่ะให้พวกเธอลงลงผมมาทันกับฉันนะนะ พระนอนก็ถามว่าทำยังไงหนอพระเจ้าข่าลงผ ม, มทันกับฉันนะคือให้พวกท่านประชุมกันพอประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็บอกว่านี่นะพระพุทธเจ้าให้ลงพมมทันห้ามเพิกษุองค์ใดไปว่ากล่าวฉันนะห้ามองค์ใดไปนับเนื้อหาชนะเป็นหมู่ของตนเองห้ามร่วมกินร่วมอุโบสถสังฆกรรม ร่วมพูดคุยด้วยห้ามเิกศูทุกองห้ามพูดห้ามคุยให้ปล่อยให้ชนะเป็นเอกเทศเ อ, อ, อยากจะพูดแล้วจะดดาใค้เอาดาเลยชนะจะจะดาดาโคตรพ่อโคตรแม่องคไหนเลือกเอาได้เอาดาเลยตั้งแต่วันนี้ไปพวกเราจะไม่นับเรื่องของท่านเป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งกับพวกเราไอ้ท่านเป็นอิสระนี่แหละคือผมมาทันทนานก็ พอเสร็จแล้วก็นั่นแ่ะพระอนุนกรับรับรับแนวของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าปรินิพานขนาดนีคณะสงฆ์ประชุมกันที่ซําถําสัตบัญคู่หาพระมหากัะสปะก็บอกว่าอานุ์พระพุทธเจ้าสั่งเสียอะไรไว้บ้างคือเหมือนกับพ่อตายแตต้องถามกันว่าใครอยู่ใกล้พ่อเราสั่งอะไรไว้บ้างลักษณะนี้ ก็ได้สั่งพระอนุนก็บอกว่าให้ลงผมพันธ์กับช น, นะแล้วก็ให้เรียกกันอาวุโสพันเตให้เรียกตามแต่ก่อนมีแต่อาวุโสอย่างเดียวผู้น้อยผู้ใหญ่าอาวุโสพันเดียบารได้โกลยพันเตข้าท่านผู้เจริญอาวุโสต้องจังเรียกตามขั้นตอนอะไรมีสองสามอย่างที่ผมพูดเอออาบัตจุ๋มหยิมอาบัตเล็กน้อย ถ้าพวกเธอเห็นว่าสมควรจะถอดถอนก็ถอดถอนได้นะอ่านี่นนที่พระพุทธองค์สั่งแต่นี่พระอานนท์ก็จะประชุมเสร็จแล้วกัน่ลงพรมมาทันส์สวดประกาศนะท่านเอาเรียกพระชันนะมาพอประชุมเข้าใจกันเสร็จแล้วก็พระชันนะมาอ้าวชนนะพระพุทธเจ้าว่าให้ลงพร ม, มทันกับท่านนะต่อเ น, นี้ต่อไปตั้งแต่บัดนี้นะเป็นต้นไป ท่านจะดาพระพพาตองคไหนท่านจะดาใครก็ได้ตามวัตถยาใสยพวกเราจะไม่นับเนื่องไม่นับถือว่าท่านเป็นกลุ่มของพวกเราท่านไปนอิสระเป็นใหญ่ได้ยกให้เป็นใหญ่ได้ใครอย่าไปร่วมกินร่วมนอนอย่าไปร่วมสังกูโสดสังกกรรมอย่าไปร่วมคุยได้เด็ดขาดถ้าองค์ไหนไปร่วมพูดร่วมคุยปรับอวบัิทุกกฎองนัดต่อ น, นี้ไปท่านอิสระนะ พอชนะได้ยิน้เน่เป็นลมไง ห, หลังไง ห, หลังผึ่งเลยวอนกันโอ้ยผมยอมแล้วเหมือนผมจะเป็นคนดีเป็นพระที่ดีจะไม่ก้าวเล้าอีกต่อไปเออเอาชดประกาศชนะเป็นคนยอมแล้วเนี่ยจะไม่ทำก้าวเล้าต่อหมูต่อเพื่อนรับให้เป็นหมูพวกเพื่อนอีกต่อไปก็เลยรับให้เป็นหมูพวกเพื่อน นี่แหละนี่แหลคนนะคือันะอานิมอนขึ้นมาข้างบนมากี่อ ง, งเอ่ออานมิมันก็มาข้างบนกันนะเออเป็นไงศรัทธาญาติโยมมาถึงนานแล้วยังทานอาหารแล้วยังเนี่ย เ, เออ่พวกเราพวกนี้พวกเจ้า ก, กรมก็คอยคอยพวกเราอยู่มาสองหมู่แล่จะพักพักค้างที่ไหนเนี่ยที่าา สาราหลังใหญ่ฮะเฉินจะพักสาลาข้างนอกหลวงพ่อก็ไม่เป็นไรนะยุงไม่มากเลยเป็นอย่างที่พวกเรานั่งเนะ่ยยุงไม่มากแต่ยุงวัดหลวงพ่อ น, นิสัยดีนะพอกินอิ่มแล้วไม่กินอีกพอกินยุงกินอิ่มแล้วไป่กินอีกเอาละนะ้าเจนีนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังนะ้าเจนีนะอยู่ในความสงบลูกหลาน อาณาธายาดโยมอดีตเจ้ากรมบุญสืบท่านก็มาคอยพวกเราคอยคอยพวกเราพวกเราทานอาหารท่านมาแต่เมื่อเช้าเนะี่ยมาถึงเมื่อเช้าเนะี่ยก็มาพักที่วัดของหลวงพ่ออยู่ข้างในคอยคอยพวกเราที่มาจากวัดบางบอนฮนะหลวงพ่อได้ทราบข่าวเออวันนี้นับว่า เป็นวันมงคลมหามงคลวันนี้เป็นวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2558อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เป็นวันปีใหม่ไทยเป็นปีใหม่สากลคือเป็นวันที่1มกราคม59คณะจัทธาญาติโยม ในช่วงเทศกาลก่อนถึงจะถึงปีใหม่พวกเราก็ได้ขึ้นมาจากกรุงเทพทราบว่ามาจากวัดบางบอลเขตไหนบางบอลนะเขตบางบอลแขวงบางบอลอ๋อเขตเขตบางบอนแขวงบางบอลกรุงเทพมหานครมาคณะอย่างที่ได้เห็นคนหลาย ทายาทโยมหลายคนพร้อมกับพระสงฆ์ครูบาที่เป็นผู้นำลุงพ่อถามเมื่อกี้เนี่ยทํางหมยี่สิบพันศาเป็นพระถ้าจะจัดก็คือเป็นพระเถระในพระวินัยนะคือยี่สิบพันศาพร้อมกับคณะทาญาิยาโยมขึ้นมาเพื่อกราบไหว้พระครูบาอาจารย์ เป็นการทัศนศึกษาเพื่อไปดูนอกสถานที่สิ่งไหนที่มันดีเราก็จะนำสิ่งที่มันดีไปปรับปรุงสถานที่วัดวาศาสนาของเราหรือว่าปรับปรุงกายวาใจาใจของเราแต่ละคนอันนี้เป็นการดูสถานที่พระกราบไหว้พระทัฒนศึกษาถ้าเราไปด้วยความ ใส่ใจไปด้วยสติด้วยปัญญา <c oughs> เราก็จะได้สติได้ปัญญานําไปใช้อถ้าเราไปแต่จักว่าไปเห็นแต่จกักว่าเห็นอไม่ได้ใช้สติปัญญาความคิดอันนั้นก็ไปว่าไปเปล่าประโยชน์นะคณะสถาน ญ, ญาติโยมลูกหลานนะเพราะฉะนั้นไปนะักสถานที่ใดเราต้องดูวัดวาศาสานาของท่านแต่ละวัดเป็นยังไงไม่เหมือนกันละ่ะแต่บุก พวกเราไปอาจจะได้เสียงหนึ่งได้ยางนึ่งอย่างมาวัดของหลวงพ่อพอมาถึงหลวงพ่อก็ได้ตอนรับกับสู่โอภาปาศสายแนะนำสิ่งที่เป็นแนวความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเนี่แหละพวกเราถือถือว่ามาสู่วัดวาศาสนามาเพื่อฟังโอวาทและก็พร้อมการหลวงพ่อก็จะแจกหนังสือและ m. อ็สา ให้กับคณะสัทยาญาติจมนำไปฟังไปอ่านไปศึกษาอีกส่วนหนึ่งเรามาเจอกันเพียงแป๊บเดียวไดโอวาดไปก็คงจะไม่มากแต่ทาได้ MP3 ไปฟังไปศึกษาหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์สาหรับผู้ใ่ในการเรียนรู้ในการศึกษาพวกเราจะมีสติปัญญาขึ้นมาได้ต้องอาศัยการศึกษา การเรียนการศึกษาจากครูบาอาจารย์จากตำรับตำราจากท่านที่เคยผ่านประสบะการณ์มาแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือไฟในการศึกษาเรียนรู้แต่มาสู่วัดหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าจัดเป็นขั้นประมาจานใครๆบอาได้เรียนได้ศึกษาได้เรียนรู้มาอย่างไร หลวงพ่อจะบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนลูกหลานให้ฟังเพราะว่าในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ต่างมากมายอย่างพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อย่างกรรมฐานที่สอนเข้ามาพระพุทธเจ้าขดสอนกรรมฐาน40่สิบสิบสอย่าง ที่จะทำให้จิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นสมถกรรมฐานแต่เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยของเราเพียงประเทศไทยก็ยังมีกรรมฐานครูบาอาจารย์สอนมากหลากหลายจากต่างประเทศก็เหมือนกันอย่างต่างประเทศอย่างไปอินโดนีเซียหรือวัดประเทศที่ไหนต่างคนก็ต่างสอนกัน ที่แบสกับสอนอย่างหนึ่งจีนเกาหลีไต้หวันฮ่าพมา่าสีลังกาต่างคนก็ต่างได้แนวสอนกันคนละอย่างเมืองไทยก็ใช่ย่อยมีกรรมฐานสอนกันมากมายแต่ถึงยังไงถ้าเราได้เรียนได้ศึกษาได้ศึกษาดูแล้วที่กรรมฐานที่ เราได้ศึกษาฟังฟังดูแล้วนะโดยมากมันก็อยู่ในจติปฐานสี่ที่ท่านสอนจิติปฐานสีคืออะไรคือท่านพิจารณากายกายเวทนาจิตธรรมอันนี้คือหลักใหญ่ถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วนะไม่หนีจากจุดนี้ถ้าวันนี้จากจุดนี้แปลว่าผิดที่ผิดทางกรรมฐานกายคืออะไรคือการเคลื่อนไหวของกายยกนอพองน้อ ก, กำหนดลมหายใจเข้าออก กำหนดกายให้มีสติอยู่กับกายการเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้เรียกว่ากายกายยานุปัฏฐานเจติปัฏฐานเวทนาคื อ, ค, อคือความ เ, าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือกว่าเจ็บแข้งปวดขาแร้วกว่ามีความทุกข์ใจในจิตในใจอันนี้เปีว่าเวทนาเวทนานอกก็คือร่างกายเวทนาในก็คือจิตใจ คือความทุกใจนะั้นเวทนาในใจเวทนานอกก็คือเจ็บป่วยเจ็บแค้นปวดขาอันนี้เวทนานุปัจฉนาจติปัฏฐานเจตตานุปัจฉนาจติปัฏฐานคือดูจิตความนึกคิดของตนเองเดี๋ยวนี้มันนึกคิดเรื่องอะไรเราคิดไปยัไงปรุงไปยังไงอันนี้ว่าจิตตานุปัจฉนาจติปัฏฐานธรรมา น, า, านุปัจฉนาจติปัฏฐานคือธรรมารมสิ่งไหนที่มากระทบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข อในจิตในใจของเราอันนี้นว่าทำมาถ้าเราได้ศึกษาในหลักถี่ท้วนแล้วเราจะแยกออกว่ากับมาฐานครูบาอาจารย์จะสอนสอนสิทธิ์ของแต่ละกลุ่มแต่ละคณะเนี่ยท่านสอนอย่างไรเราจะมองออกได้เลยนะแต่โดยมากศรัทธาญาติโยมไม่ได้ศึกษาถึงขนาดนั้นเท่านี้ท่านสอนเนั้นเอาทําไมองค์นี้สอนอย่างนั้นโอ้หน้าทำไมสอนเอาไปเอามาก็เลย แต่ละชิ์แต่ละครูบาอาจารย์เนี่ยก็เลยทะเลาะวิวาดกันเอ่อก็เลยถกเถียงกันเออออกหมัดออกมวยใส่กันอาจารย์ของข้าสอนถูกอาจารย์ของข้าสอนผิดก็ว่ากันไปอะไรสิจปแล้วก็คือลูกศิษย์ลูกหาไม่เข้าใจไม่ท่องแท้ในหลักธรรมคําสอนของพุทธะนะถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วเนะี่ยเอจะต้องรู้นะแต่ถึงยังไง หลวงพ่อในศึกษามาในตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นปู่หลวงปู่มั่นโพธิตะเถระเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานแต่ก่อนหลวงปู่มั่นมีไหมท่านก็คงมีแต่ที่ท่านไม่ได้เขียนเป็นตำรับตําราเอาไว้ที่เป็นคูบาจานของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแต่มาถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมาถึงลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นคือมีพระมหาปรียน หลายรูปท่านก็ท่านได้ฟังได้ศึกษาท่านก็ได้บันทึกแนวความคิดของหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไร เ, เป็นแนวปฏิปทาอย่างไรนแนะนําบอกกล่าวอย่างไรจะหลอดตั้งขึมาถึงครูบ า, าอาจารย์หลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ต่างๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นอันนี้คือครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสิทธ์ยาวในสิทธิ์ของหลวงปู่มั่น เทศหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรเนี่ยเราหลวงพ่อคะแนนทานะลูกหลานเหลนสายนี้หลวงพ่อจะไม่สอนสายอื่นสายหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่า เ, าเวลาก่อนที่จะปฏิบัติธรรมไม่ต้องมีครูมีใายไม่ต้องมียกขันห่าขันแปดอะไรหรอกกราบไหว้พระอย่างพระประธานอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นน่ย หรือไม่มีพระประธานก็เถิดอยู่ในบ้านของเราโอกาสว่างๆเงียบสงบเพราะว่าธรรมะจะเกิดขึ้นมาในสถานที่เงียบสงบจากนั้นก็หลบไหว้พระปล่อยว่าอาลาหังสวาขาโตสุปฏิปันโนไหว้กราบเสร็จแล้วก็นโมตสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคนโมสามจบ จากนั้นกับพุทธทางทมมางสังขังสรณาางคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งดูติตาตเาิเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาอันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นถ้าใครจะสวดยาวก็ได้ไม่ผิดการสวดมนต์ยาวก็ดเีเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลทำให้จิตใจสงบ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 อันนีค้คือเราแผ่เมตตาคนที่มีเมตตาคนที่แผ่เมตตาไปในสถานที่ใดจะไม่เป็นพิษเป็นภัยจะไม่มีเวนจองเวนจองกรรมกับใครเป็นมิตรเป็นสหายถ้าห า, าใครจะมาผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนก็จองไม่ถึงจองไม่ถูกเพราะอะไรเพราะเรามีเมตตาเราไม่ได้มีความพยาบาทอาฆาตกับใครๆทั้งหมดนี่แหละหลับและตื่นเป็นสุข คนที่มีเมตตาในจิตใจอันนี้คือถ้าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างสายลุงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนสิทธิ์ของท่านจากนั้นก็นั่งขัดสมาธินั่งเหมือนพระประาธานนะคณาจารยโยมท่านพระพ่อนั่งขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้ปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกปน ม, มือไหว้ครูซะก่อน คือยกครูไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะการนั่งสมาธิไม่ใช่ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำเป็นผู้บอกกล่าวให้นั่งสมาธิท่านได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพในท่านนั่งอย่างไงนี่นะท่านสอนเป็นพระธรรมคาสอนออกมาในวันนั้นที่ท่านได้ตัดสู้นะ ท่านว่าให้นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแต่ท่านพระองค์ขอามือขวาทับมือซ้ายแต่ว่าก่อนที่เราพวกเราเป็นสาวกะผู้สดับเมื่อนั่งขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปน ม, มือขึ้นระหว่างอกคือไหว้ครูซะก่อนไหว้พระพุทธเจ้าพุทโธคือพระพุทธเจ้าธรรมโมคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสังโคคือประสงค์อริยะสง์สาวก ของพระพุทธเจ้าที่ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเราก็ได้ศึกษาได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจพวกเราจึงได้นาปฏิบัติมานั่งสมาธินอะย่างนั้นก็พอพุทโทรธธรรมโมสังโขสามจบจากนั้นเอามือลงพ อ, อมือลงกําหนดลมหายใจเข้า หลวงปู่มั่นท่านบอกถ้าหากว่าหายใจเข้าอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านภาวนาที่โคนต้นโพท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกมันหลุดมันเผลอมันหลงมันลืมมันหลงส้นหลงเงื่อนได้ง่ายให้สำทับกับพุทธโธหนะน่าอันนี้หลวงปู่มั่นจึงบอกมีกรรมฐานพุทธโธเข้ามาสำทับด้วย เวลาหายใจเข้าบริกรรมพดเวลาหายใจออกบริกรรมโทพดโทพดโธอย่าไปเกรงอย่าไปกรึงให้ดูให้เป็นธรรมชาติเหมือนลมหายใจเข้าออกธรรมดาท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าเ ห, เหมือนเสมือนว่าเราเอาความรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราจู่จับอยู่ที่ปลายจมูกเวลาลมหายใจผ่านเข้าไปเราบริกรรมพด เวลาลมหายใจออกอมันผ่านไปบริกรรมโทรแต่บางท่านเพิ่งฝึกหัดใหม่มันอาจจะจับจับไม่ได้แต่ลองลองพยายามหายใจแรงๆาหายใจสืบลมหายใจเข้าจมูกแรงๆแล้วก็แทกออกแรงๆสักสองสามสี่ห้าครั้งเราก็จะรู้ได้ว่ามันลมกระทบที่ไหนก็เอาจติตจับอยู่ตรงนั้นจงที่ลมกระทบค่อยค่อผ่อนผ่อนลง ท่านอธิบายว่าให้ถือเสมือนว่าเรายืนอยู่ข้างประตูนะกำหนดลมหายใจเข้าออกนะให้เหมือ น, สนเสมือนว่าเรายืนอยู่ข้างประตูเวลาคนเดินเข้ามาผ่านประตูเข้ามาเราก็รู้ว่าคนเข้าแต่ไม่ต้องตามไม่ต้องตามคนเข้ามาอาคารว่าคนเข้าไปเขาทำอะไรเขาไปทำอะไรบ้างไม่ต้องตามใครเข้าว่าลมหายใจเข้า ถึงปอดถึงท้องน้อยเราไม่ต้องตามเพียงแต่ให้ให้ให้รู้ว่าลมเข้าจมูกและก็ลมออกอ่าออกไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องตามเพียงแต่ว่าลมออกก็รู้ว่าลมออกเหมือนกัรเรายือนอยู่ข้างประตูอย่างที่วาลมออกไปเราก็รู้ลมเข้ามาเราก็รู้เหมือนกับคนออกไปเราก็รู้คนเข้ามาในเท่ะคนเข้าไปข้างในเราก็รู้เพ dorm, ียงแต่รู้ว่าลมเข้าลมออกเท่านั้นแะ่ะ อันนี้ก็คือวิธีการกําหนดลมตามแนวแถวของหลวงปู่มันเวลาหายใจเข้าออบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทพดโทพดโท น, นี่แหละนี่เราจะจ ะ, จะยึดแถวนี้ก็ได้แต่ยึดกรรมกรรมฐานมายุบเนอพองเนอก็ได้หรือจะยึดยึดกูบาจารยนองคไหนก็ได้มันก็อยู่ในจิติปฐานสี่แต่ข้อสําคัญให้จรงิงจังด้วยจรงิจรงใจแต่หลว ง, ง, งพ่อไม่แนะนํากรรมฐานอย่างอื่นแต่เหมือนกับ นี่เหมือนหลวงพ่อแนะนํากรรมฐานหลวงปู่มั jungle, ่นเหมือนกันจิตใจแคบไม่ใช่นะ like. oh! อันนี้หลวงพ่อได้เรียนได้ศึกษามาเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยเอวิธีการทํานาหลวงปู่มั่นพาทํานาหลวงพ่อก็สอนวิธีการทํานาให้กับพวกลูกหลานได้ฟังวิธีการทํานาทําอย่างนี้อย่างนี้นะอแต่เขาคนหนึ่งเขาบอกเอ้ยอวิธีกรรมทาสวนยางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ แต่สรุปแล้วก็คือสวนยางก็ดีนาก็ดีมันจำปลังก็ดีทำไร่พริกไทยก็ดีสวนทุเรียนก็ดีเพื่อหาเงินใครจะได้เงินมากกว่ากันฮะ อ, อันนั้นนะคือว่าความหวังก็คือเงิน อ, อันนี้ก็เหมือนกันนะการแนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองนะสุดแท้แต่ท่านถนัดทางไหนถ้าท่านได้ทางไหนมาถ้าทำนานี่ทำมาค้าขายทำ ไร่ทำนามีข้าวกินแล้วก็ได้ขายข้าวล่ำรวยเอ่ออันนี้เก็บรรยายเรื่องวิธีการทำอ่าให้กับคณะศิษยานุศิษย์หรือว่าคณะผู้ที่เข้ามาศึกษาวิธีการทานาให้กับพวกทุกๆ ท, ท่านได้ยินได้ศึกษาถ้าเราจะศึกษาวิธีสวนอย่างแล้วก็ไปศึกษาเราองค์ไหนก็ได้ที่เราถูกกับจริตนะเอ่อแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวหลวงพ่อแนะนําสั่งสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาในแนวแถวของหลวงปู่มั่นแต่ศรัทธาญาติโยมบางกลุ่มอย่างหลวงพ่อเคยไปอินโดนีเซียแต่นานแล้วละ่ะหลายปีแล้วแต่รลวงพ่อก็ไปเทศนาว่าการแนะแนววิธีสายหลวงปู่มั่นเพราะว่าอินโดนีเซียเนะี่ย มันมีหลายหลายนิกายดอย่างที่เบสวิธีกราบก็ไม่เหมือนกันจีนกราบก็ไม่เหมือนกันสีลังกาพม่า ก, กราบไม่เหมือนกันบางทีกราบบางทีเอาไทยกราบกราบเป็นจางข้าวผัดดิบเอามือฝ่ามือลงใช่ไอมแต่บางแห่งเขากราบเอาหงายมือก็มีทํำมือห่างๆแขนห่างๆกันก็มีแต่ของเราให้ห่างกันให้หัวลงจดพื้น มือสองข้างห่างกันประมาณให้หน้าผากลงจุดพื้นได้อย่างนี้แหละอันนี้ก็คือการวิธีการกระเพียงเท่านั้นก็ยังแปลกแตกต่างแต่นี้การสอนวิธีการกรรมฐานะเลยโอโ้แมกมากมายหลายๆอย่างแต่นี้ผมพ่อไปสอนแนวแถวหลวงปู่มั่นเลยละให้คณะจต่ า, าญาติโยมชาวอินโดฟังแต่นี้พอต่อมาเนี่ยมีชาวอินโ ด, น พ, นนโดพ่อแม่ลูก คือแม่ของเขาเนี่ยอายุประมาณทักสี่ห้าสิบปีน ะ, ะดูๆ้องที่มาหาหลวงพ่อนะี่เขาภาวนาคือเขาภาวนาแบบที่เบตเขาวากันนะแบบที่เบตเขากำหนดลมหายใจหายใจเข้าไปถึงท้องดูท้องท้องพองแวบพองแวบพองแวบกำหนดที่ท้องพอจิตของเขาสงบพอจิตเขาสงบแล้ว แปลว่าใจของเขาเนี่ยความรู้นึกความรู้สึกนึกคิดของเขาออกไปอะโยชน์วนไปอยู่อีกมิติหนึ่งเขาว่ะเหมือนกับอยู่ข้างข้างเขาเนี่ะอยู่ข้างข้างหลักเขาเขาเน่ยเออมีความสุขเย็นมีความสุขกายสุขใจอย่างมากเย็นมีความสุขจริงๆจริงเออแต่มันเป็นหลายครั้งแต่ที่มันครั้งที่รุนแรงเนะี่ะ เขาไปนั่งในหมู่ในคณะเนะี่ยพอนั่งเสร็จแล้วเขาใจของเขาก็ออกไปอย่างที่วาดนะพอจะนั้นคอของเขาก็พับลงเนะี่ยพอพับตไอ้หมู่พวกเพื่อนเอ๊ะเป็นยังไงวะเขาก็จับดูนะจับดูเอาตายหัวใจก็หยุดเต้นเลยนะเขากูไปบอกหมอมามาดูสิหมอก็มาก็มาคงจะตรวจแบบห่ยหวยๆน่อยไหมแต่เขามาจับอะไรโอ้ตายแล่ะ อ่าผู้หญิงตายแล้วคนนี้วะอ่แต่แต่ยังดี้เขาไม่ฉีดฟอ ร, ร์มาลินเเอสร็จแล้วเขาก็เอาเข้าไปห้องห้องดับจิตเลยตอนี้พรคนตายใช่ไหมแอบเขาไปห้องดับจิตแต่นี้เขาก็เลยโทรไปหาญาติพี่น้องบอกว่าเอเ้ยญาติของคุณไปนั่งภาวนาด้วยกันแต่ตายนะเดี๋ยวนี้อยู่ยที่ไหนด้วยอยู่ที่ห้องดับจิตอ้าวอยู่ห้องดับจิตได้ยังไงเขาเคยเป็นนะอย่างนี้ะ ญาติพี่น้องก็ปเลอปเอร์ไเติมมาพอจากนั้นก็เอาออกม า, อ, าออกมาจากห้อง อ, ออกมาจากห้องเสร็จแล้วก็ทักพักใหญ่หนึ่ง น, ะนานเขาก็เลยฟื้นคืนมาพอคืนคืนมาเขาเขาบอกว่าเนะี่ยคุณจู่ไปห้องอู่ห้องดับจิตนะแต่ดูประมาณสี่ห้าชั่วโมงที่เขาเป็นนะอาการอย่างนี้ที่เขานอนดูเป็นอย่างนั้น คนส่วนากเขาก็เลยเขาก็เนึกกลัวๆเธอเนี่ยพอต่อมาเป็นอีกครั้งที่สองดักลักษณะอย่างเก่าเท่าโอทาว่าเป็นอีกลักษณะอย่างนี้เนะี่ยถ้าไม่มีใครที่รู้จักเนะี่ยเขาคงจะไป เ, ออเขาคงจะไปเผาไฟทิ้งคงจะเด้งอยู่ในห้องดับจิตไปเลยนะเขาก็เลยกลัวเทอเนี่กลัวในการตั่งภาวนาแต่เขาบอกมันมีความสุขมากเหมือนมันเป็นอีกเหมือนโลกหนึ่ง ของเขามีความสุขจริงๆใช่ไหอแต่เหมือนที่มันเป็นถึงห้าชั่วโมงนะในความรู้สึกนะเหมือนกับความรู้สึกของตัวเองไม่ถึงหนึ่งถึงสองนาทีในขณะนั้นเทมันเป็นแต่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกนะ่ะว่ามันเป็นตั้งห้าเกือบห้าหกสี่ห้าชั่วโมงนี่แหละแต่ได้เขากกลัวแต่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาข็หยุดภาวนาเลยเพราะกลัวมันจะเป็นอย่างเก่า เขาก็มองเขาก็เห็นรูปของหลวงพ่อนะเนี่อพอหลวงพ่อไปสอนแนวแถวหลวงปู่มั่นที่อินโดนีเซียเขาก็มองเขาก็เห็นเอ๊ะพระองค์เนี้ยที่มาสอนคราวนั้นนะ่ะเมื่อหลายปีมาแล้วนะ่ะท่านอยู่ที่ไหนเดี๋อยู่เมืองไทยเขาก็เลยไปถามพระว่าอยู่ในอุดอรเขาน่นะ เ, เขาก็เลยมาอยู่ที่วัดหลวงปู่อ่อนสาหนะยุดคือพระเคยไปอินโดนีเซียองค์นั้นนะ่ะ เขาก็เลยเอาลูกมาให้มาให้พระออกนั้นดูแลังโอ้ยหลวงพ่ออินเขาว่างนะังน่ะเขาก็เลยพามาเนะี่ยพามาหลวงพ่อก็เห็นอนอพอมาเห็นหลวงพ่อเลยทั้งเดินหน้าทั้งถอยหลังน้ําตาหลั่งไหลเอ๊ะมันมันเรื่องอะไรวะหลวงพ่อก็เลยถามถามดูถามที่ไหนได้โอ้เ อ, อเขาวภาวนาเนะี่ยเ อ, อมันจิตส่งจิตใจออกไปข้างนอกตามแนวแถวหลวงปู่มั่น ที่ท่านแนะนำสั่งสอนสายของเราสายของหลวงตาสายของหลวงปูมั่นอันนี้แปะว่าส่งจิตใจออกไปข้างนอกอทำให้หลงได้เสียหายได้ผิดพลาดได้หลวงพ่อเอาคุณจะฟังไหมโยมจะฟังไหมก็ว่าฟังเพราะเขามาเพื่อการศึกษาอยู่แล้วให้ฟังนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะสอนวิธีแถวแถวหลวงปูมั่นให้ฟัง การภาวนาของคุณเนี่ยขณะที่เราจิตใจสงบคุณในสงใจออกไปข้างนอกอ่าพอมันออกไปแล้วมันก็ออกไปตามมิติหนึ่งมันมันถ้าเป็นนิมิตมันก็จะนิมิตยาวเหยียดเลยอันนี้มันไม่เป็นนิมิตมันคล้ายๆว่ามันเป็นความรู้สึกอีกมิติหนึ่งแต่บัดนี้ต่อไปนี้นะให้บริกรกรมกาหนดลมหายใจเข้า าหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทนะในเมื่อจิตใจมันมันจะเผลอไปมันจะสะว่ไปให้ดึงกรรมหากรรมฐานเดิมให้มาหาพุทโธอีกอย่าให้มันอย่าให้มันไปถ้ามันไปมันจะไปอีรอบเก่านะเพราะนั้นอย่าให้มันไปถ้ามันจะไปอย่างนั้นให้กลับมาหาพุทโธให้มีสติอยู่กับพุทโธถ้ามันรวม ใจิตใจรวมมันจะไม่ใช่รวมอย่างนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเน่งรู้ว่าจิตเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการสงบใจิตใจที่ถูกต้องอันนั้นมันคุณมันส่งออกไปมันเป็นนิมิตเมันเป็น อ, ปอุปจาระสมาธินี่มันส่งใจิตใจออกไปข้างนอกนี่แหะทำให้หลงเผ อ, อ, อเลอะลืมลืมหลงได้ง่ายเพราะนั้น ใหญ่ใหสงจกออกไปนะท่านฝึกหัดตามแนวแถวหลวงปู่มันคณนิกะสมาธิคือจิตลมรวมสงบคู่หนึ่งอุปจาระสมาธิจิตใจรวมหนึ่งความนึกคิดเรานึกคิดเรื่องอะไรสติของเราทันทันความนึกคิดนั้นเราปรุงไปเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไร แต่ยังได้ยินเสียงข้างนอกอยู่นะได้ยินเสียงหู่เสียงคนเสียงหมาหอนหมาเห่าได้ยินแต่ใจของเราไม่ส่งไปตามแต่ควบคุมสติควบคุมจิตอยู่อันนี้เราอุปจาระแต่เมื่อคุณดูจิตใจร่วมสงบลงเป็นหนึ่งสติเป็นอันใดจิตเป็นอันา น, านั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวขนันนี้แหะ อัปปนาสมาธิเออมันจะเน่งรู้สึกกับตัวเองอยู่ตลอดจากนั้นก็ถอนขึ้นมามันถอนขึ้นมาก็รู้ว่าจิตใจมันถอนขึ้นมาจากสมาธินั่นเมื่อถอนขึ้นมาก็ น, นำมาพิจารณาเนี่ยพิจารณาร่างกายว่าร่างกายสังขารเนี่ยเป็นของไม่เที่ยง เ, เป็นอนิจังทุกขังอนาาัตาอีกสักวันหนึ่งจะต้องถูกเผ า, า, าไฟทิ้งแน่ทิ้งแน่นอน เ, ออเป็นเท่าทาน เขาก็เลยแทรกขึ้นมาว่าเนี่ยดิฉันก็พิจารณาเหมือนกับนนะท่านในเมื่อพิจารณาเห็นว่าร่างกายของตัวเองเป็นเท่าฐานแล้วเป็นเป็นเม็ดเป็นก้อนขึ้นมาในเท่าฐานนั้นที่ฉันเห็นร่างกายตัวเองชัดเจน เ, เราก็ถามว่าเมื่อเราเห็นร่างกายชัดเจนอย่างนั้นแล้วเราได้คิดอะไรต่อไปไม่เห็นแต่เห็นแต่เท่าฐาน ว่ามันเป็นก้อนเป็นเป็นเม็ดเท่านั้นเองก็ไม่ได้ไม่ได้พิจารณายังไงต่อไปเอออันนี้แนวแถวของหลวงปู่มั่นสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยในเมื่อพิจารณาเป็นเท่าฐานเป็นดินน้ําลมไฟแล้วก็ให้ย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้คือใจใครเป็นคนรู้ว่าเป็นเท่าเป็นฐานเออเป็นหินเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเพื้นไฟ เป็นธาตุสีนะใครเป็นผู้รู้ให้ย้อนมาหาตัวผู้รู้นั่นนะนี่แหละตัวผู้รู้ตัวนั้นแ่ะเมื่อเราผ่านความสงบจิตใจของเราผ่านความเป็นหนึ่งมาแล้วผ่านอัปปนาสมาธิมาแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วเมื่อเรามาย้อนมาหาตัวผู้รู้นะจะเห็นตัวผู้รู้ได้ชัดเจนในเมื่อเราเห็นตัวผู้รู้กันตัวผู้รู้เด้ยเป็นอเนจังมันนึกคิดมันคิดปุ๊บปปปบมันอมันมีแต่นั่นนะ มันตัวนี้จังคือของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะเป็นอนัตตานะี่ดูที่ใจนะมองที่ใจดูที่ใจว่าใจของเราเป็นอนัตตานะท่นนะี่นี่แหละเราให้พิจารณาจุดนี้อันนี้วิธีการปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นร่างกายของเราเนี่ยถึงจะเลี้ยงอิ่มหมีผีมันเลี้ยงดีขนาดไหนก็เตอะ มีจุดจบของมันคือเกิดแก่และก็ะเจีบและกะตายในที่สุดอันนี้คือร่างกายม่ในเมื่อร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราญาติโกโหติกาสามีภรรยาวัดวาศาสนาจะเป็นของเราได้ยังไงขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานี่นะการพิจารณาธรรมปล่อยวางที่ใจนะกำหนดตูวที่ใจเํามีอะไรต่อไปภายภาคหน้ายังค่อยว่ากันอีกอันนี้ บอกกล่าวให้เพียงเข้าในก่อนอันนี้ก็คือวิธีการแนะแนวสำหรับสายลงปูมั่นสำหรับแนะนำสั่งสอนแต่บางกลุ่มบางสายนะพอเห็นนิมิตขึ้นมาก็ให้ติดตามดูนิมิตนะอย่างนี้เผลอๆต่อไปมองๆไปผลให้สูกันะตาแข็งขึ้นเรื่อยๆเป็นบ้าเป็นบอก็มีตัวมาก แต่สายล่งปู่ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกว่ายาวไปดูนะจะไปตามดูนะมันไม่มีที่สิ้นสุดนะเดี๋ยวสายม้วนนี้หรืสายมวนะ้วนนั้นทั้งวันทั้งคืนน่ะนะออมันพอเป็นมันเป็นเงามันเป็นกระ เ, เป็นตะคบเงาไปเรื่อยมันเหมือนกับเราเดินออกจากที่นี่ไปไปเห็นต้นไม้ปูผ้าเห็นสัตว์สาลารสิงเห็นบ้านเห็นเรือนเห็นคู่เห็นคนมันได้อะไร เอมันได้อะไรไม่เห็นได้ไม่ไม่เห็นมีอะไรได้อะไรเนี่ยให้ดูดูที่ใจของเราตัวที่ไปรู้ไปเห็นเขานั่นแะเอ้นี่ยแหละตัวอี น, นจังทุกขังอนัตาตัวก่อภพกขอชาติให้พิจารณาอยู่จุดนี้ให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายนี่ปิทาคือความเบื่อหน่ายคลายนะธรรมธรรมคำสอนของพุท ธ, ธนะไม่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ใจตัดกิเลสตัดที่ใจตัดราคะโทสะโมหนะ นี่แหละให้ดูจุดนี้นะอันนี้แหละคือแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้ยกประเด็นเบื้องตน้นเพราะนั้นขอให้คณะจตธาญาติโยมทุกทกท่านนะวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมมันมีมากหลากหลายทุกวันนี้แต่ถึงยังไงถ้าเราถูกกับจริตกับท่านผู้ใดเรนะาก็เนี่ยวาถวกตัวเป็นสิทธิอนุสิตรู้วดปฏิบัติตามทาแนวแถว แต่ถ้าว่าอย่างหลวงปู่มั่นหลวงพ่อก็มั่นใจในแนวปฏิปทาหรือว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นพระท่านล่วงลับดับขันตายไปมรณะภาพไปกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้รู้กันเป็นพระธาตุนี่แหะผู้ที่กลายอย่างนี้จะบอกพระหันเราก็มั่นใจอย่างนั้นและการพูดการแสดงของท่านทุกบททุกบาททุกคําพูด เราก็มั่นใจว่าท่านเป็นผู้มีอัตมีธรรมในจิตใจเรายอมรับนะในแนวปฏิปทาของท่านและแนวความคิดของท่านเพราะนั้นหลวงพ่อจึงในเอาแนวธรรมคำสอนของหลวงปู่มาบอกกล่าวให้กับคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะการกล่าวในวันนี้ก็ยืดยาวไปสักหน่อยนะคณะศรัทธาญาติโยมเดินทางมาคงจะเหนื่อยเอาเอาจบเพียงเท่านี้แล้วนะวันนี้นะ